วันนี้จะขอสัมภาษณ์คุณยายปิ่นพวงทองนะฮะความคุณท่านก็ไม่ได้แก่อะไรมากค่ะแก่ผมขาวงานก็เลยเรียกตามลูกตามหลานไปว่าคุณยายก็เป็นตั้งแต่คุณยายคุณป้าคุณโทษดกันแล้วแต่ใครอยากจะเรียกกันแล้วกันท่านกอ็อได้รับบัญชาจากหลวงพ่อว่าให้ อธิบายถึงวิธีปฏิบัติตัวซึ่งมีหลักใหญ่ๆของพวกเราก็มีทานศีลและภาวนานี่ใ น, น, นด้านทานเนี่ยรู้สึกอของท่านเป็นเร่งเด่นมากใช่ไหมคุยค่ะเพราะว่าออทุกครันน้งพุกเซนได้สัญญาจากอาจารย์แดงง่ายไง น, นะคะอาจา ร, รย์แดงสัญญาว่าอะไรเรื่องพระพิมมาหาวาิการครับ ยิงเห็นยาอันนี้ท่านก็ควจะแช่ใจนักนะฮะเพราะว่ามัานจะจะ็นยิ่งใหญ่เกินไปเท่าท่านาท่านว่านะแต่ น, นี้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาปากคนอื่นเราก็ไม่เกี่ยวนีิทานเป็นเรื่องนำก็พวกเราก็คิดว่าท่านจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนิานบรารมีส่วนด้านศีลก็กับภาวนาเนี่ยก็คุณยายจะเป็นผู้ อธิบายเองก็แล้วกันอธิบายตอนไหนว่าศีลเนี่ยคุณยายารักษาศีลหา้าเนี่ยเริ่มต้นจะปี <ผม S 1> ไหนคะพร<ม>าก็ถ้าพร ม, มิหารสีก็เมตาามตามันก็พอมีม้ากนะฮะศีลก็มีบ้างบกพ่องบ้างนะฮะ แต่ปฏิบัตินี้ยหย่อนมากเลยสินห้าในภูใหญเพิ่ <c oughs> คงครับมาสักกี่ปีนะคะก็ <c oughs> ตั้งระมาเจอหลวงพ่อเนี่ยคะปีเท่าไหร่คะที่สุดจะสิบแปดใช่ไหมปีสิบเจ็ดหรือสิบแปดเนี่ยค่ัห้าสิบปดสองพันห้ารอยสิบแปดค่ะเออไอตอนนั้นเห็นเคยเล่า ว, ว่านั่งให้ยุงมันกลับแล้วก็ตกแจ้เป็น <c oughs> ก่อนนั้นเราก็ตกสนุกเลยนะฮะ <c oughs> พหลั็เลยจะร้องออกมาคือตอนนั้นก็ก็ก็เป็นแม่บ้านซึ่งทำกิจกรรมทางบ้านก็มีโทรศัท์โมหะตามเยอะเลยเยอะเลยนะฮะโทรศัได้ทราบว่า เลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระทีก็บงบง บ, ง, บ, ง, บงแม่นี ม, ม, มากมาอยู่ ค, คนเลี้ยงพระมากแต่ว่าก็มโหมากโดยที่ว่าคนทำนี้ไม่ถูกใจกลัวไม่ทันบ้างอะไรก็แล้วแต่นี่มาเจอหลวงพ่อก็ก็มาทำกับหลวงพ่อก็รู้สึกว่ามันสบายใจเลยก็ตัดไป พ, พวกยุ่งยากปัญหาต่างๆออกหมดเลยคือมาทำโดยวิธีสังฆทาน โดยตั้งจิตดีๆนะฮะแล้วแผ่ชวนกุศลนะฮะรู้สึกก็หลวงพ่อทำแน่ๆนามเนี่ยถูกใจมากโดยที่เราก็ไม่ต้องเกิดโทสะและอายุก็มากแล้วทำก็ไม่ไหวน ะ, ะ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนวิธีมาทำแบบทำกับหลวงพ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าไออารมณ์ไม่ดีต่างๆในเวลาเราทำบุญจะไม่มี กขาได้บุญเต็มที่นะคะเขาคิดแบบนั้นแล้วคือเดิมที่ว่าบุญที่ทํามากๆก็คือนี่พระทวัดอะไรที่วัดโตกว่าเป็นร้อยอะไรอย่างนี้ย่ะมันก็คนอิกร้อยกว่าอความไม่จตกังวลในบ้านให้สมบูรณ์แบบเนี่มันก็ก็มีมากค่ะคิดเยอะเลยค่ะคือถามว่าที่พยาว่าการปฏิบัติของุพยาย่อนน้ะแปลว่ายังไงคะแปลว่า แหมมานานแล้วฮนะก็เคยไปหาอาจันลีเนะี่ยคะที่ที่วัดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ ท, ท, ท, ที่นี่ะปฏิบัติก็ทําไม่ได้ที่ย่งท่องเครืโทนะคะคือท่องแล้วฝึกมันเหนื่อยในใจแล้วก็ไม่เคยท่องนะไม่เคยทําก็มาเจอหลวงพ่อนี่ท่านให้ปฏิบัติก็อย่างว่าก็นั่งไปก็ปฏิบัติก็ท่องเดยก็เดี๋ยวเดียวแล้วก็เมื่อยปวดก็ไม่ทำํำตลอดมาเลยค่ะตั้งเจอหลวงพ่อก็ไม่ทําเหมือนกัน ก็แล้วตั้งแต่ปีนี้5ครบบริบูรณ์อย่างเงี้ยนลรู้สึกว่าปฏิบัตินี่มันดีขึ้นบ้างนะคะจากที่แต่ก่อนนี่เคยอึอดอัดเบื่อๆอย่างเี้ก็พยายามค่ะแต่ก็ไม่ดี<ะ>ไม่ดีจนกระทั่งมาล้งพ่อฝึกมโนยิทธิอะไรนะฮ ะ, ะแบบเก่าโน่น่ะ แบบเออถังมีนาถังเมนาถังแล้วเขาก็เต้นกันนะซึ่จะลืมตาดูดูใครจะเต้นยังไงทำไรมาเห็นหมดเลยไม่ไม่ทะเพราะว่าอย่างว่าเราแทนที่ว่าจะพิจารณาจิตล้วให้สงบอะไรไม่คือว่าใครจึงจางปั๊บก็อารมรลมข่าน คุณยายกําคาญแล้วคุณยาเป็นห่วงเขากลัุดะเจ็ อ, อะไรยังไงก็มีทุกอย่างด้วยกันบางทีก็ะัวเขาจะล้มโดนขั น, นคยอยเอาหมอนร อ, ร อ, องเขามากอะไรเรียกว่าเป็นแถบบริการธรรมดาคุณยายมีใจเมตามอยู่เป็นปกติไปหมดก็อันนี้ก็ไม่ทราบมแล้วแต่เพราะว่ามันทั้งเจ็บไดายคือผมเห็นคุณงายหน้าตายิ้มแย้มใสมีเลขตาปกติเล ย, ย <c ười> ความจริงคุณยายไม่ม ร, รู้ว่าไอ้เนี่ย มันคือการทำสมาธิโดยอัตโนมัติเพราะคนที่มีเมตตานเนี่ยยั่งยืนอยู่นตัวริงแสดงว่าเจริญเมตตาพงศ์านีโดยอัตโนมัติตัวไม่รู้เพราะฉะ้ไอตัวเมตตาที่มันเป็นอยู่เป็นนี่แหละก็ถ้ามันผิดเนี่ยมันทำสมาธิในตัวอันนี้ก็หมายว่าความจริงแล้วเราไม่ต้องไปนั่งพุทโธพุทโธแต่มีอยู่ว่านีเป็นปกตินี่ฮะคือ เ, เมมรื่องเจริญพงศ์าน อันนี้อาจจะเป็นได้อย่างเราเจอหลวงพ่อนะคะก็รู้สึกจิตใจเนี่ยดีขึ้นเยอะนะฮะฟังท่านเทศนาอธิบายอะไรเนี่ยบางอย่างที่เราเคยกุ้นแคลนอยู่เรื่องอะไรมันมันมันตัดชั่วออกไปได้น ะ, ะมีอย่างนี้เนี่ยแล้วอารมณ์ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนะคะโดยที่ ขอขอแช่ชักนิดในกรณีเ อ, อการปฏิบัติคือการนั่งภาวนาหรืออะไรเนี่ยเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของคุณยายก็คือว่าคุณยายได้รับบทเรียนจากได้เห็นว่าคนปฏิบัติน่าจะเป็นบ้าไปคือผู้ใกล้ชิดเนี่ยหลายๆลายเพราะฉะนั้นอาการนี่ท่านก็มีรู้สึกกลัวอย่างนั้นใช่ไหมคะยายกลัวแล้วก็เป็นห่วงทุกคนที่ปฏิบัติกลัวจะไปเป็นอย่างนั้นนะคะ แล้วตัวเองก็คิดว่าตัวเนี่ยทําไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็รู้สึกว่าเชื่อในพระพุทธเจ้าในศาสนานี่ดีอะไรนี่เชื่อทุกอย่างแต่อันปฏิบัติเนี่ยคือเห็นอันนี้มาแล้วก็ไอ้ความกลัวเนี่ยมันจับจับใจเลยว่าก็เดี๋ยวสติมันจะเสียไป<ม>นะฮะ<ม>ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะกลัวแล้วอีกอย่างหนึงก็จากสังขารปวดหลังกระ<ม>กระชาข้างขวาเนี่ยตั้ง มือทั้งเท้าเนี่ยถ้านั่งไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็มันจะเมื่อยเมื่อยแล้วเราก็ต้องพลิกไปพลิกมาก็กลัวผู้ที่นั่งข้างเคียงเขาจะลาคาญก็ไม่แต่บ้านไก่ลงก็ที่หลังนี่ก็ไม่ไปเพราะว่าเกรงใจผู้ที่เขานั่งกลัวว่ามันจะเป็นบาปไอเราปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมฮะกว่จะเป็นบาปยังก็ทั่งหลวงพ่อมาฝึกมโนยุทธินี่นะะไอแบบลืมตาดูเขาเต้นเนี่ยนะฮะเต้นโอ้ยสนุกจ้า ดูเขาเต้นค่ะจนมาระยะหลังเมื่อเดือนพฤศจิกาอะไรให้ที่หลวงพ่อจุดใหมแบบแบบแบบผสมนะคะแบบผสมน้ำมะพระาวแบบใหม่เอี่มเนี่ยที่แบบอะไรฮะที่ปัจจนณยังไม่ถึงไม่ใช่ที่ปัจจุณอะไรน้ำมะพร้าวน้ำมะพระาะเนี่ยนะคะแล้วหลวงพ่อจะต้องมาพรมน้ำมนต์แล้วให้มีขันมีเหรียญสลึงหนึ่งก็มีดอกไม้สามดอกกระทูกสามดอกมีกระดาษที่ปิดหน้าผะ ทีนี้พอหลวงพ่อจะต้องมาพรมน้ํามนต์แล้วก็มาส่องไฟหรือทูบอะไรเนี่ยก็ด้วยความกลัวหลวงพ่อก็ต้องฝืนใจทําค่ะนะคะฝืนใจทําก็ทําไปอย่างนั้นค่ะตีนี้ไม่กล้าลืมตาแล้วด้วยความกลัวเด๋ยหลวงพ่อจะด่าวแกไปยังอย่างนี้แกไหมฮะก็ด้วยความกลัว หล้วก็เราะท่าเนี่ยภาวนาไปได้ตลอดนะเวลาอยู่ก็ดีดีกว่าพุทโธอันนั้นไม่ใช่นะมะท่านะอันโน้นอันเลนาทางเมนาทางเมนาโธก็คือรู้สึกว่าอทําให้จิตแล้วเนี่ยจมรวมได้ดีขึ้นเพราะว่าเรามันบุ่นวายอันมู้นอย่างคือพุททางมัตติจอนนะครับเอาแม้รู้สึกว่าเอาเมื่อทาท่าจะล้อมเริ่มเริ่ม อันที่ก็เต้นกันเนี่ยเขาทท่าจะล้มจะหงายก็ฝืนไว้ว่าฉันไม่ล้มฉันไม่ยอมไม่ยอมทำ<ะ>ไม่ไม่ไม่ไม่ลืมตาดูเขาก็ไม่ยอมทำออพอจิตเป็นจามาทิมันจะล้มก็ไม่ยอมแล้วไม่เอาแล้วคือคือมันก็มีเป็นจามาทิแล้วก็ทำท่าจะล้มเหมือนกัน<ะ>ใช่ไหมคะฝ<ะ>ืนเอาไว้ก็เคยเวลาวันนั้นหลวงพ่อไปพูดที่บา้านคุณหญิงยอมมา<ะ> ก็เลยยังเรียนกท่านบอกว่าเป็นสมาธิดีค่ะแต่ก็ไม่เอาด้วยความกลัวคตัวก็จะอันโน้นนะอันอันไม่นอนเลยไร่ไม่ไม่นอนค่ะเดี๋ยวนี้มามาเดือนอะไรผิกาอะไรที่หลวงพ่อฝึกใหม่ใหม่ค่ะที่ให้ท่องเนี่ยก็ไปทำนะั่งมาคาท่าค่ะเดี๋นี่ก็อย่างด้วยความกลัวหลวงพ่อเนี่ย Chat, น, นะฮะกลัวถูกด่าทีตนี้ก็ก็ทำทำไปก็อย่างนั้นฮะอุ้ยปวดแขนปวดขาอะไรเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เรื่องเองฮะตัวนี้ก็นั่งแล้วกลับมากลับบ้านเนี่ยฮะคุณพุทธาก็นั่งมาด้วยจะอยู่ปากซอยนะคะแต่ก็บอกว่าจะไปที่วัดเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้ตัดขนห้าใช่ไหมฮะไอ้ละคนเลิด่าเนี่ย ใจไม่ด่าตัวเองโทษหลวงพ่อให้ตัดขันห้าแต่เรานี่มานั่งห่วงขันห้าใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้ปวดหัวข่าวปวดขานะไม่พอเวลานี้เราจะต้องยกกระดาษขึ้นมามันมันปวดแขนจิใช่ไหมมันเกิดเป็นกีห่วงขึ้นมานะฮะมันแทนไม่ว่าจะตัดขันห้าใช่ไหมมันปวดแขนขาอย่างไม่พอแต่นี่มาปวดแขนอีกห้านะอีคืนนั้นปวดเต็มที่เลยค่ะแตใจนึกว่านั้นยังกระทั่งหลวงพ่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกาอีคืนสุดท้าย ก็ไนั่งก็ไปนั่งก็กําลังนั่งอย่างนี้ก็ท่องเขาเนื้อแต่นี้ไม่เอาแล้วขันห้าเนี่ยเพราะว่าเราได้ยินคุณพุทธาว่างั้นวันหลวงพ่อว่าใชตอตนตนี้เราก็อก็ได้ยินหลวงพ่อท่านสอนด้วยตอนแรกอะ่ะก็ตัดขันห้าไม่ตัดก็กําลังท่องอะไรน้ำพระพทะท่องนะท่องไปท่องไปนะฮะก็รู้สึก จิตมันจะนิ่งแล้วก็มันก็ยิ้มยิ้หมุนลที่ศีสานี่คือเข้ามาตเรียนหวเหมือนเป็นตะไลขึ้นไปอู้ยหมดเวลาพอเปิดฉาต้องปินขากไม่ไดเลยแค่ฉากที่ไม่ทำในะฮะนี้ก็กลับบ้านก็ไม่ทำเองทั้งๆที่หลวงพอบอกว่ากลับไปบ้านแล้วให้ทาอย่างนั้นนะดิเวลาตื่นนอนเช้าอะไรนะวผไม่มีทก็ ตื่นมากตื่นเท้าพุทโธ ท, ทำแต่ก็ไม่ไม่มากมมาแต่นี่ก็มาได้อนนี้ก็ตอนนี้ก็พุทโธก็ได้จะขึ้นกระไดลงกระไดกีดตอนขึ้นนี่คือว่าตัวตัวเนี่ยจะภาพหกล้มก็ก็ะะจะขึ้นก็พุทโธพุทโธขึ้นถึงสุดนะ ะ, ะเวลาลงนะะี่ยค่ะตื่นทช้าจะลงหรือตอนจะลงก็พยายามพุทโธคือไม่ให้ตกกระไดแล้วก่อนนอะนไม่ก็ยาภาวนา น, นะคะ ก็สวดมนต e ์นะฮะสวดมนต์แล้วก็เทพหลวงพ่อก่อแล้วก็เทพหลวงพ่อแต่ก็มีอยู่อันหนึ่งมันก็แปลกเหมือนกันคะคือสวดมนต์เสร็จแล้วก็สั้นๆนะคะแล้วก็อธิษฐานนะคะขอให้ข้าพเจ้าในสิ้นอาสวะกิเลสถึงความพ้นทุกข์เข้าพระนิพพานแต่ไม่ใช่ชาติตาจุบันรุดฉับพันอย่างหลวงพ่อว่านะแต่มันเป็นประมาณนานกี่มันน้อยไม่ทราบเหมือนกันยังก็ต้องมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อ่ะให้ ในชาตปัจจุบันนี่ถูกใจอีกก็ถูกใจอีกก็ยึดแล้วก็กังคืนก็จะนอนก็ฟังเทศนปฟังจหดับไปพุดโทก็ยังไม่ได้เท่าไหรก็ได้ตอนขึ้นกัะไดลงกระไดเนี่ยแล้วแทนถ้าไปไหนไกลๆแล้วก็เอาระงวนเหนื่อยตัวอะไรก็จากพุดโทแล้วก็เดี๋ยวมันก็ลืมไป้ก็หายเหนื่อยใช่ไหมคะก็ได้ดีค่ะได้ดีแต่ว่าถ้านั่งเข้าที่ีไม่เอาหลกไม่เอาละ มันเป็นอย่างนั้นแต่เวลาที่ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยภาวนาไปด้วยเราก็ได้ก็บางครั้งที่มีสตินึกได้ค่ะคือไม่เอาเลยฮะมาเอาจริงๆเมื่อเดือนพฤศจิกาเนี่ยที่หลวงพ่อนะฮะด้วยความกลัวหลวงพ่อแต่รู้สึกว่าท่านเป็นเจ้ากรมข่าวนะคือท่านฟังข่าวและเทพในวิทยุทุกรายการอันนี้เป็นปกติของท่านนะฮะคือจับความได้มากน้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าจะอธิบายนะฮะก็แล้วแต่ฮ ที่ฟังธรรมะยานเกาะนี่อยู่เสมอนะคะเพราะงั้นก็นานๆก็ต้องไปวัดมหาธาตุไปทําบุญให้ขาววิทยุเขาจังคือเป็นวิทยุที่ต่ออยู่เรื่อยอ่ะฟังมาเรื่อยค่ะดีไม่ดีก็ฟังถ้าไม่ถูกใจก็อย่าไปฟังถ้าถูกใจก็ฟังไปก็อย่างนี้ค่ะที้ย้อนกลับมาเรื่องกองยายฝึกนะฮะพอหลังจากฝึกกาของนั้นแล้วคุณยายไปฝึกกลับไปฝึกอีกเมื่อไหร่คะไปที่วัด慢慢มเมื่อเดือนพฤศจิกา วันที่เท่าไหร่นวันวันศุกร์วันทแล้วฮะอ๋อศุกร์เนี่เอาเร็วเวนี่เลยค่ะเร็วเศุกร์่าเนี่ยวันศุกร์ที่เท่าไหร่ศุกร์วันที่ยี่สิบยี่ห้ายี่้าก็ไปฝึกฝึกก็ก็หลายวันอยู่ค่ะก็รู้สึกว่าจิตนี่ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะคะแต่แล้วก็คือฉันเป็นคนวุ่นวายแต่เหนื่เวลาไปวัดก็ พอพ้องไปทำบุญมากอะไรนั่มันก็จุกจิกจุกิกเนี่ยหลายอย่างซึ่งทำาแล้วมาตอนนี้ก็รู้สึกเข้าใจตัดไปเขาใสตัดไปรวมทั้งไอ้สังขารเราไม่ใช่ดีนะฮ ะ, ะรู้สึกจิตใจมันดีขึ้นได้อาการที่ตัดหรือ ย, อยงาาังไงก็ไม่ตาดนะก็ไปฝึกนะก็สักสองสาหวัญ ก็รู้สึกจิตดีขึ้นแต่ก็ไม่เคยคิดว่าเราเนี่จะได้ถูกสัมภาษณ์เพราะว่ามันยังใช่ไม่ได้นะคะที่พยาบาจิตดีขึ้นนะดีขึ้นในลักษณะเลยน่ะมันนิ่งหน่อยเพราะแต่ก่อนนี่มันดิ้นที่เขาบอกปรจับลิงมามัดหรือขังกุงไม่มีผิคือม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยไปเลยแต่ตอนนี้เนี่ยจิตจับอยู่กับคำภาวนามากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะก็พยาบาจับลมหายใจด้วยหรอคะก็น้มัจับตามลมหายใจเลยนะคะแล้วจับวันเลยเหรอไม่ ระหว่างที่จะปฏิบัติปฏิบัติเั่านั้นเราจับภาพระได้่หมคะก็พยายามจับแต่ก็ไม่เห็นกำหนดไม่ได้ใจเลยนะคะท่องอยู่ในใจก็รู้สึกว่าจิตนี่สงบขึ้นพอเรารู้สึกจิตสงบก็เห็นลวงพ่อว่าจะสัมผัสจะก็ไม่ได้ตื่นเต้นก็ไม่ได้กลัวมันก็เฉยเ่ยรู้สึกเฉยเฉยเขาก็เฉยเฉย ก็เหมือนขาวตั้งหลายวันค่ที น, นี้ก็อย่างว่าพอนั่งเขาก็เอ๊เรานั่งตรงนี้เขาก็มานั่งเราจะกลาวก็ไม่สบายเพรายิ่งจะเถิบก็ยิ่งไกลหลวงพ่อไปก็ไปทางหน้าพระมากค่ะท่านกอ็พยายามจะเพ่งพระพุทธรูปก็ไม่ติดตายเพราความที่เราไม่ทําเ อ, อแล้วทีนี้ทางด้านที่หลวงพ่อสอนที่ตัดแขนห้าเนี่ยคุณยายตัดแขนห้าพิจารณาเวลานั่งเนี่ยก็พิจารณาตัดแขนห้าไปค่ะ เพราว่าเวลามันเมื่อยอะแล้วก็ตัดนะว่าตัดเป็นไงชะก็นม่คว่างี่มันก็เป็นอย่างนี้นหละเราเกิดมาเนี่ยพ่อเราเกิดมาใช่ไหมฮมันมีขันห้ามันก็ต้องเก็ดต้องปวดอย่างเนี้เพราะงั้นเราก็ไม่เอาแล้วชาไม่ครบอีกแล้วนะชาตินี้ขอเป็นชาติจุดท้ายขอไปพันนิพพานค่ะตามที่หลวงพ่อสอนค่ ะ, คะก็เรียกว่าท่องแบบน ก, ก้าะนกขุณทองเราะมันหววขึ้นมาก็ท่องอ๋อค่ะ แล้วคุณยายแล้วเริ่มความตายนะคะคุยายนึกถึงความตายอ๋อนึกเสมอเรื่องตายนึกเสมอนะนึกว่าวันนี้จะต้องตายนึกว่าจนนี้สขแล้วแต่ก็คือว่าพยายามทําทุกอย่างที่มีที่จะทําได้ทั้งทางอ่ะเราไม่รู้มันจะตายเมื่อไหร่อันนี้เป็นมานานแลประจาทุกวันเลยนะไม่ขาดภาระมันคาฮ้างอยู่อะภาระถ้าทําได้พยายามทําภาระให้จบค่ะแม้แต่อย่างว่าหลวงพ่อบอกว่าให้เรานึกว่าจะทําบุญให้นึกไว้เถอะ ถึงตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้บุญ<ช>ก็ยังไม่ยังไม่ไว้ใจมันลึกจะทํานี่มันจะอยากจะทําให้เสร็จไปเรื่องบุญค<ช>่ะ ถ, ถ, ถ้าคิดอยากจะทําอะไรนี่รู้สึกว่ายังหลวงพ่อว่ามันกําไรดีแต่ว่าจิตมันยังไม่ชอบมันยังจะชอบจะทํานี่ทํำให้เสร็จไปค่ะในเมื่อเรามีจะทําคิดอยากจะทำํำนะฮะแต่อย่างหลวงพ่อว่านี่ยทาได้แบบนั้นมันดีจริงจรแต่ จิตมันยังไม่ยอมรับมันยังอยากจะทําให้เสร็จไปเนี่ยนี่เรื่องวิจัรสนาแล้วก็เออเวลาที่คุณยายนั่งปฏิบัติก็เห็นเรื่องปวดเรื่องเมื่อยก็พิจารณาตแต่แล้วจิตมันมันรวมดิ่งดีนะค่ะเวลาที่ก็ <c oughs> รู้สึก <ๆ S 1> ดิ่งดีพอดิ่งดีก็ได้ขาวว่าหลวงพ่อจะสัมภผั์แล้วเ <c oughs> <c oughs> พราะงั้นเราก็รู้ว่าเอ๊้นี่จะได้สัมภาษณ์แล้วหรือแต่ก็มีอยู่อันหนึ่งซึ่งว่าวันนั้นไปฟัง เทพที่บ้านสายลมนะนะไม่ทราบท่านองค์ไหนมาเทพตัวที่ บ, บอกไอ้ที่เราทําทิ้งทํำกว้างเนี่ยถึงเวลาเข้ามันก็มารวมจุด อ, อันนี้ทําให้ปลื้งใจเพราะว่าจะนนี่ทาทิ้งทำกว้างมาตลอดชีวิตแล้วว่าทําแล้วไม่ได้อธิษฐานไม่อธิษฐานเพราะว่าถือว่าผิดน บ, บุญและอีกอย่างนึ่งอาจจะไปเชื่อหลมความผิดก็เป็นได้เพราะว่าแหมค้ากาไรเกินคน่ะ ทำแค่บาปแค่สลึงไม่จะเอาพระนิพพานใหเราก็เห็นจริงมันค่ากำไรเกินไปเป็นความจริงแคนี้ก็เออมันแค่จริงๆริอะมันพระองค์บูรุณแต่ว่าเรื่องศาสนาแล้วรักมานะฮะเรื่องทําบุญก็เราก็ทําเพื่อจะร่มศาสนาไว้ก็รุ่นปู่รุ่นย่าท่านทํามาอยู่มันจนถึงให้เราเนี้ยได้รูปธรรมะจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทําต่อไป แต่เรื่องอธิษฐานนี่น้อยเหลือเกินะนะคะก็มีอยู่อันเดียวที่ว่ากราบพระแล้วก็ว่าขอเข้าไปเจ้าชินอาสวัะไปเลยถึงความพ้นทุกข์เข้าปณิพาน<ะ>ยังก็ไม่ยังไม่ไ ม, ไม่ชาติปัจจุบันเรายังไม่รู้ะนะคะน่เรื่องศีน ะ, ะรู้สึกขอเน้นสักนิดหนึ่งรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะคุณยายจากศีลห้าเนี่คุณยายขยบมาศีลแปดแล้วนะก็เป็นอีวันที่ไปบ้านคุณประเสริฐ คุณประเสริฐที่เมืองเค่ะแล้วก็จะไปบ้านแยกเยมค่วันนั้นเป็นวันเริ่มแต่ทุกครั้งที่เคยไปวัดเนี่ยก็หลวงพ่อเขาบอกว่าคือคล้ายว่าแรกๆนะคะก็ว่าถ้าใครจะรับสิ่งแปลกก็ให้ทานอาหารเย็นก่อนห้าโมงอะไรเนี้ยค่ะก็พยายามทําแล้วก็บางวันก็ ยังไม่ทํานทานข้าวเนี่ยก็หลวงพ่อให้สิงแสถ้าใจมีศรัทธาก็รับขึ้นมามันก็ไม่หิวซึ่งก็เคยทํามาสองครั้วันนั้นเป็นวันตั้งใจเลยว่าเอ๊ะในรถคันเดียวนี่สี่ห้าคนเขาสิงแสนะวันนี้เราเอ า, เอามั่ล่ะสิงแสนะมันก็ได้ไดนะฮะได้แล้วจึงกระทั่งมาเข้าบรรษาพรตั้งใจว่าทุกวันพระเราเริ่มขยิบขึ้นหน่อ ย, ยน ะ, ะจึงก็ทั่งได้จึงก็ทั่งไป ที่สวิตนะฮะน้องชายหมอเขาบอกบอกว่านี่มันรู้คนละวันแล้ววันสุดท้ายของวันของในในพรรษาแต่จะรอเล่นที่บอกไม่ได้ยังไงวันนี้ฉันก็ต้องเอาให้แน่เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายพระสุดท้ายสําหรับเรานึกว่าใช่แล้ววันที่ของเราเนี่ยก็เลยบอกก็ปีนี้ใอ2521เนี่ยก็ได้รับจิน8เฉพาะวันพระนะฮะได้ตลอดพรรษา ก็ตอนนี้ผมไม่เคอยจะทางไลตอนนี้อตอนไปวัดนี่นะครับถึงแต่ตลอดตลอ ด, ลอดที่ไปวัดที่ไปกรวดก่อ น, ออนเข้าใจว่าเป็นการดีอย่างหนึง่งคือว่าหนึ่งไอ้อาหารเนี่ยมันไม่เข้าไปยุ่งในตอนที่เราจะนั่งทำสมาธินะแล้วก็ทำให้เราสำรวมขึ้นอีกแก่ แล้วเออเทียาถาเาวันที่หลวงพ่อสัมภาษณ์เนี่ยนะคะยาทําสมาธิได้ดีเป็นพิเศษหรือเปล่าคะแม่นะ ค, ะนนคือเริ่มรู้สึกก็เมื่อรู้สึกก็เท่าที่ดี ะ, ค, ะค่ะคือมันไปเริ่มดีที่วัดนั่นนะะ่ะค่ะไปเริ่มดีค่ะไปเริ่มดีที่วัดนั่นล ะ, ะแล้ว ม, มีอาการเป็นไงที่ยาลงเล่าเออ ตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มสัมภาษณ์พียาเห็นภาพตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อสัมภาษณ์แล้วหรือเปล่าเห็นแต่สว่างนะตอนนั้นเป็นวันเป็นคืนวันที่ยี่สิบแปดพฤจิการที่ถูกสัมภาษณ์ก็เห็นแต่แสงสว่างค่ะเห็นอยู่ก่อนหลวงพ่อมาหรือเาล่าเห็นก่อนใช่ว่าจิตรวมสมาธิอะไรอาการหมุนๆๆๆนี่มันเกิดไม่มีแล้วไม่มีนะคะเกิดที่บ้านไซลมทั้งเดียวนะ เกิดข้างเดียวใจมันก็นิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็พอนิ่งคําก็จ<ด>ิดมันนิ่งไม่วักแวกมันอย่างทุกทีค่ะแล้วก็มันก็เห็นเป็นสวงอย่างนี้ค่ะแล้วหลวงพ่อก็เข้ามาไป้วก็ถามว่าสว่างไหม<ะ>ล้วก็ตอบขึ้นไปน ะ, ะวันนะ<ะ>นี้มีอัอนนึงซึ่งท่านก็เป็นคนจําอะไรไนมะ่ค่อยแม่นอย่างหนึ่งนะะแล้วก็เรื่องสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ได้ โดยมากมีกระถาอะไรมาเนี่ยหมอก็บอกให้ท่องเช่นเขาบอกหมอต้องจดจดแล้วก็ท่องให้ฟังสองาครั้งแต่ตัวเองก็พยายามท่องค<ฮ>่ะเดนี่หลวงพ่อก็ถามว่าเห็นอะไรไหมค่ะเชนเขาบอกก็ยังไม่เห็นหรืออะไรอย่างนี้นะคะจําไม่ได้ทีเดียวก็หลวงพ่อก็นํำว่า ให้อรัตนนาพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างสัมภาษณ์คน อ, อื่นๆนเนยะยนะคะให้บารมีที่เราได้ทํามาแล้วจํานวนเท่าไรอะไรที่ท่านว่าเนี่ยแต่เนี่ยความจําของฉันที่ไม่ดีเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวหลวงพ่อว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมา่า อ, อีกเนี่ยมันจะว่าไม่บ้างควรไม่ได้ค่ะพอหลวงพ่อเออต่อที่ก็ตามอ่ะหลวงพ่อเลยยังไงฉันก็วิ่งเร็วอย่างนั้นว่าตามไปนะพอคำติดท่าหลวงพ่อก็สว่างไหมก็สว่าง มันสว่างขึ้นเลยมันสว่างขึ้นแล้วเราก็ตอบหลวงพ่อไปอเอาแล้วเห็นไหมอ่าเป็นยังไงนะคะเห็นเป็ น, ปนพ่อพระหรือเห็นอ่พระพุทธเจ้าไหมอะไรนี่ค่ะนะคะก็จำไม่ได้่ะก็บอกว่ท่านยังไม่เห็นเอาท่านก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าให้ยังไงท่าน ว, ว่าเนี่ยฉันก็ต้องรีบว่าตามไ ป, ไปนะแล้นจะเป็นผลอย่างหนึ่งซึ่งว่าทําให้ผิดเป็นหนึ่งทำให้ผิดเป็นหนึ่ง เดอเดออีตอนนั้นไม่รู้สึกนะคะจนกระทั่งรุ่งขึ้นแล้วถึงมารู้ว่าเอ้ยนี่มันก็เป็นผลดีซึ่งในการที่เราตามหลวงพ่อเนี่ยทียิ้มยิ้มทั้งว่าแล้วก็ว่าตามนี้ไปเลยนะคะพอเจ็จคําสุดท้ายท่านก็จะถามว่าถึงที่ยางพระนิพานค่ะแล้วก็ถึงไลมมันมันรู้สึกขึ้นในใจเหรอคะใช่เห็นมันโนเห็นนิดนิดแล้วเราแล้วก็หลวงพ่อก็ถามแล้วก็ มองดูมองมองด้วยจุดใช่ไหมฮะมองได้จิตหลวงพ่อก็เห็นเรานี่ยก็เห็นจุดจุดจุดไหมแต่<า> เ, เราเห็นจุดเขาก็บอก<า>ไปท่านบอกนั่นแหละใช่ค<า>่ะแล้วท่านก็บอกอีกนะฮะจะให้ทํำยังไงแล้วก็ตามไปเลย่ก็ถามว่าเห็นไหมข้างซ้ายมือมีใครบ้างอะไรเนี่ยนะเราก็เห็นลางๆก็บอกท่านไปค่ะแต่ท่านขวามือนี่ชัดเลยเห็นมียังกะ เทวดาอะไรเนี่ยองคนิดหนึ่งเนี่ค่ะสักจอกหนึ่งนี่ค่ะมาอยู่ทางขวามือเนี่ก็เห็นหลวงพ่อก็ถามว่าทางขวามือเนี่ยมีอะไรก็บอกว่าเห็นมีเนี่ยค่ะเทวดาก็หลวงพ่อก็บอกก็บอกได้บอกไม่ว่าเป็นองค์ไหนใช่ไหมฮะฉันก็บอกวท่านพรกัจจศกหลวงพ่อก็บอกว่าไหนถามท่านให้แน่สิพระพุทธองค์ อ็ถากัดศพหรือว่ากัศบหรือว่าท่านัศพหรือว่าถ้ากัศพหรือว่าท้ากัดศพหรือว่ากัดศพหรือว่มากัดศพหร่ากัศพหรือว่าถ้ากัดศพหรอว่าถ้ากัดศพหรอว่าถ้กัพือ่าถ้พอว่าถ้กัพหอ่กพรอว่าถ้กัดศพอน่้าัดศพหือว่า้ัดศพหรือว่า้นกัดศพอว่้าดพหอว่าถ้ากพรอาาก็ตามเรือ่อถ้ากัพอว่าถีาัดศพหอว่าถกัรว่าถีาาม คือไม่ขาดว่าในใจว่าในใจต า, ามเลยก็เลยทำให้ให้ไห้ยันแล้ ว, ลวตอนนั้นอารมณ์เป็นไงคะอารมณ์ก็นิ่งเด่และสว่างสบายสบายทีนี้ออคุณยาจับอารมณ์อย่างระดับดาวดึงริธีพระจุลามณีท่ามกลางพระเรียเจ้ากใกล้พระพุทธองค์กับ อ่าอารมณ์ในแดงพระนิพพานเนี่ยรู้สึกว่าต่างกันไหมคะความเบาอ่ะอย่างพูดกันนะเบาเบาเนี่ยเบาต่างกันมั้งไหต่างกันเขารู้สึกเบาตอนนั้นหลวงพ่อให้เทียบเหมือนกันนะค่ะหรือมันจะเทียบใดเที่บสี่ใช่ไหะไม่ใช่อะไรนั่นนั่นเทียบเทียบอารมณ์ในพระจุลามณีว่าเป็นเระออริยเจ้าขา้ไหนแต่ที่นี่ไม่ที่นี่ไม่ได้หมาคําภีร์ฐานถึ อความเบาตัวหรือเบาใจอ่ะเบาหมดนะฮะไม่นแต่เมื่อยปวดไม่มีแล้วเอแของระดับต่างๆคเวลาที่คุณยาอยู่ที่พระจีรามุนีกับคุณยาอยู่บนพระนิพพานเนี่ยมันมีความเหมือนกันต่างกแต่ต่างค่ะมันเบากว่ากันมากเบากว่ากันแต่แล้วก็สว่างกว่ากันแล้วเห็นชัดกว่ากันนะคะเห็นชัดกันแต่ว่าก็ยังไม่เห็นเหมือนย่างเหมือนอย่างสารพัดนะคะ ก็เห็นเรืองรางก็เรียกว่าคณะพอบุญแล้วพรเราเนี่ปฏิบัติน้อยที่สุดคุณลองคิดดูว่ากี่วันยานั่งเก็บเล็กผสมน้อยมาตั้งนานก็นิดอย่างนั้นค่ะก็ตอนที่ท่านเทศน์นั่นนะคะที่บ้านใจลมน่ะท่านรู้สึกว่ามีความปลื้มใจว่าเออไอที่เราทําทิ้งทำกว้างมาตลอดเวลานตลอดเวลาจริงๆค่ะว่าเออมันคงได้ผลก็เป็นึกว่าคงได้ผลีนตอนที่เราจะตายก็นึกถึงท่านอ๋อยอ่ะ คนะคะแล้วก็ถ้าเราเจ็บจริงๆเนี่ยมันจะตัดตอนนั้นคก็ไม่ไม่กว้ามันจะมาด้านนันทีนี้ได้ยินคุณยายอธิบายให้พุทธาทราบถึงคือหลังจากคืนวันที่ยี่สิแปดถูกสัมภาษแล้วก็ก็อธิบายก็คือเริ่มอธิบายให้พุทธาบอกว่าคุณนะคุณต้องจับตามหลวงพ่อทุกคําพูดไปแล้วให้แถมปัญญาเข้าไปด้วยนะปัญญาของเราไม่ต้องใช้เนี่ยคุณยายไหนความว่างไง ด้วยความปัญญาเราต้องตามถี่หลวงพ่อไปด้วบญญยบวาปัญญาว่าหลวงพ่อถามเนี่ยเราจะต้องตอบให้ได้ทันทีใช่ไหมฮ ะ, ะถ้าท่านถามว่าสว่างไหมมันมันจะคมที่แค่นั้นอ่ะมันจะไม่ดับมืดลงมาเราก็ต้องตอบตวา่าสว่างใช่ไหมฮะ มันจะมันก็คนอื่นฉันไม่รู้เขาจะเห็นยังไงแต่ฉั้นนี่มันช่วงเวลามันน้อยแล้วอายุก็มากนะฮะไอความสับสนเนี่ยมันจะมีขึ้นเพราะงั้นค่ะจะเนื่องแรงบุญบา ร, รมีเรืออะไรเนะ่ยเาตอบหลวงพ่อไปได้ทันทีว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งอไอความสว่างมันก็สว่างขึ้นนิดเดียวแต่ด้ยวยจิตด้วยจิตเนี่ยนะฮะตอบ